หมดล้ย่างถ้าหมดแล้วหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับกอาพาธหลวงตาอัลลาฮุสซาลเมนะนนนหลวงพ่อจะแจงรายงานอาพาธขององค์หลวงตาให้แก่คณะทาญาทโยมลูกหลานทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลให้รับทราบประจําตั้งแต่วันที่15บหวันที่15ถึงวันที่16เช้า ว, วันนี้เราวันที่16บหกให้คณะทาญาทโยมผู้รักเคารพในองค์หลวงตาที่อยู่ไกล ไม่ได้มาฟังหลวงพ่อจะขอเรียนให้ทราบอาการลาุงตาดังนี้นะคือคณะแพทย์เขารายงานสรุปอาการอาพาธพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญนะสัมปโนประจำวันที่16มกราคมพุทธศักราช2554คณะแพทย์ได้กาเปลียนรายงานต่อคณะสวงฆ์ว่าเมื่อวานนี้วันที่15มกราคม หลวงตามีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วไอบ่อยมีเสมหะมากแพทย์ไม่ได้ชัยว่าเกิดจากน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายเพิ่มมากขึ้นคณะสิทธิ์ได้กลับขออนุญาตเจาะดูดระบายน้ําออกเพื่อบรรเทาธาตุขันท่านได้เมตาอนุญาตคณะแพทย์จึงได้นำํำดาเนินการดูดระบายน้ําออก ปริมาณ7 0 0อาการเหนื่อยหอบร ถ, ถลงพักผ่อนได้จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันคณะสงฆ์สิยานุสิ์16มกราคมพุทธศักราช2554เมื่อวานคณะสงฆ์และคณะแพทย์ได้ไประชุมหาลือกันเมื่อเพื่อถวายการรักษาองค์หลวงตาหลวงตาท่านก็อนุญาตเมื่อวานนี้ เคยพูดให้แก่คณะสัตยาธิโยมลูกหลานที่อยู่ทางไกลที่ทรักเคารพในองค์หลวงตาทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ที่เคยอยู่กับองค์หลวงตาของพวกเราหรือคณะสัทยาธิโธมที่มากราบมาไหว้ในองค์หลวงตาได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาที่เกิดงงศรัทธาเคารพนับถือเลื่อมใสในธรรมเทศานาของหลวงตาและก็ได้นํำทำคําสอนของหลวงตาไปประพฤติปฏิบัติ ก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจทางครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องอไปว่าได้รับผลในการทำรมเทศนาของหลวงตานะที่อยู่ไกลหลวงพ่อเองที่อยู่ใกล้ที่ได้เห็นหรือว่าได้พูดให้แก่คณะทายาิโยมได้ฟังการที่จะทำอะไรกับองค์หลวงตาถึงจะขอดูดน้ำออกจากปอดก็ดีนะเราจะไม่ได้ทำโดยพาระการ ต้องขออนุญาตเชก่อนถ้าท่านไม่อนุญาตเราก็จะไม่ทําเด็ดขาดนะลุงพ่อก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี่ก็คณะแพทย์มาแล้วก็เห็นว่าท่านหายใจลําบากนะพะน้ําท่วมปวดก็แต่ผู้ที่เคยท่วมก็คงจะรู้นะแต่ลุงพ่อไม่รู้ระลําบากขนาดไหนเพราะไม่เคยนะแต่ผู้ที่เคยแล้วก็รู้ควรจะดูดขอดูดน้ําออกแต่นั้นก็เราคณะสง์ ก็หลงพ่อก็ได้องค์นึ่งด้วเข้าไปขอแล้วก็มีหลายองค์เนี่ยพ้นที่สุดก็ให้ท่านประชาผมนอกนะเข้ามาเมื่อวานนัดมาพอดีเออให้ท่านประชาเขาไปขอเกาหลวงตาลุกมานั่งก็เลยท่านประชาเขาเข้าไปขอท่านหลวงตากักนเออเสียก่อนเลแพทย์ยังได้เข้าไปข อ, อดูอน้ําออกเมื่อวานนี่จะทําอะไรกับองค์หลวงตาทุกครั้งพวกเราก็ต้องระมัดระวังเพราะหลวงตา ถ้าทำดีก็เป็นบุญกุศลมหาศาลนะถ้าทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับองค์หลวงตานี่บาปมหาศาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครๆก็ไม่อยากจะรับบาปมหาศาลใครๆก็อยากจะได้บุญกับองค์หลวงตามหาศาลเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรกับองค์หลวงตาต้องขออนุญาตจากองค์หลวงตาซะก่อนทุกครั้งอันนี้หลวงพ่อก็เคยพูดมาโดยตลอดนะทุกอยู่ไกลรักเคารพในองค์หลวงตาก็ขอให้รับทราบ ตามนี้ด้วยนะแต่พูกอยู่ใกล้ก่อนที่จะทําอะไรนะคิดแล้วคิดอีกประชุมแล้วกันประชุมอีกเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับการจะรักษาสุขภาพองค์หลวงตาทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายนายแพทย์มาจากสิทธิราชหลายท่านจากนักศีรษนครินเจากอุรามาประชุมหารือกันเมื่อวานนี้เป็นอันว่าคณะสงฆ์ได้พูดกันว่าทั้งหมอจีนทั้งหมอทางเลือก ทั้งหมอแผนปัจจุบันจะต้องไปด้วยกันถ้อยทีซร้อยอาศัยกันอันนี้ก็คือพูดกันเมื่อวานนี้พระงจะลักษณะอย่างนั้นแหะสรุปแล้วก็คือทุกคนก็อยากจะให้ดวงตามีสุขภาพดีหายจากโรคขาพยาธิผู้ทุกคนสรุปแล้วก็คือลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเจตนาดีด้วยกันทั้งหมดคืออยากจะให้ดวงตามีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคาพยาธิอันนี้ก็คือเจตนาของศิษยานุศิษย์ เพราะนั้นจึงได้พร้อมกันปรึกษาปรารถกันแล้วประกันอีกในรายละเอียดพอสมควรเมื่อ ว, วานนี้นี่แหละอันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพขององค์หลวงตานะเพราะนั้นสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายคณะสิทธิยานุสิทธิที่รักเคารพในองค์หลวงตาให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติเพื่อจะได้ยินทำคําสอนขององค์หลวงตาขณะหลวงตาว่าให้ไหวพระสวดมนต์ทุกเช้าเย็น นั่งภาวนาอย่างน้อยวันห้าที่สิบนาทีหลวงตาบอกพวกเราอย่างนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งลงมันก่อนหลวงพ่อเชอรี่บอกว่าเ อ, อ่ญาติโยมก็มามากอยู่ข้างนอกนะโดยมากมันจะมีถุงพลาสติกสูงพลาสติกออท่านหลวงพ่อเชลรี่ใครก็รู้นะท่านสะอาดท่านบอกว่าผมออกไปแล้วไปเห็นถุงพลาสติกอยู่ข้างนอกขอให้หลวงพ่ออินบอก แกคณะสัทยาญาติโยมด้วยอยู่แ ถ, แถบไหนก็ให้เก็บถึงถังขยงขยะด้วยทําความสะอาดด้วยและก็พร้อมกันก็อยู่ที่ศาลาใหญ่มีหลายคนอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าเปิดวิทยุมันเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาคนอื่นนั่งภาวนาหลวงพ่อเชลรี่บอกนะไม่ใช่หลวงพ่ออินบอกนะนี่อยู่ที่ศาลาใหญ่เปิดวิทยุเสียงดังรบกวนคนอื่นท้ า, าว่าใส้เสาเบ้านะใส่หูนะ จะดีถ้าใครเปิดถึงจะเปิดค่อยก็เถอะมันลบกวนคนอื่นเวลานั่งภาวนาอันนี้หลวงพ่อเชอรี่ท่านบอกนะอันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกต่อว่าหลวงพ่อไม่เคยเข้าไปแถบนั้นหรอกแต่หลวงพ่อเชอรี่ท่านบอกให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเออน่าจะเกิดประโยชน์ต่อคณะสิทธิานุสิทธิลูกหลานขององค์หลวงตาพวกพวกเราเป็นญาติโกโหติกากันนะพี่ได้สองน้องได้หนึ่งก็ต้องมาตักเตือนซึ่งกันและกัน แล้วก็พร้อมกันฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อก็ท่านเชอรี่อาจารย์เชอรี่ก็พูดอีกเหมือนกันนะท่านเจรีบอกเออพวกฝ่ายพระสงฆ์ที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดเนี่ยก็ขอให้ดูขอให้ดูพระเก่าอย่าให้พระเก่าท่านหนักใจเนอพระลูกพระหลานพระน้องพระหนุ่มทั้งหลายที่มา เข้ามาอยู่เพื่อมากราบมาไหว้องค์หลวงตาของเราจะให้พวกพระเก่าท่านอยู่ในวัดเนี่ยหนักใจมีอะไรก็ช่วยๆกันดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยอรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้อยู่ในกรอบศีลและธรรมให้อยู่ในหลักพระัรมวินยัยที่หลวงตาเคยสอนพวกเราเนอลูกหลานทุกองค์เนอพระเนะอะท่าน หลวงตาเคยบอกนะหลวงตาบอกว่าถึงจะโง่แสนโง่ก็ให้โง่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยถึงแสนจะฉลาดเฉลียวขนาดไหนก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยอย่าไปฉลาดแวกแนวถ้างโง่แล้วก็จะไปโง่ทําสุมสี่ซม5้ามันไม่โทุกอันที่หลวงตาเคยสอนพวกเรานะเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลาน พาลูกพหลานพาน้องพานุ่งทุกทุกองขึ้นมาอยู่วัดป่าบ้านาตัดเพราะเห็นแล้วก็พระก็มีมากอยู่ในช่วงนี้หลวงพ่อเชอรี่ท่านก็เป็นห่วงอ่าท่นเป็นพระเก่าแก่นะหลวงพ่อสุดใจไม่ต้องพูดถึงละแต่หลวงพ่อสุดใจก็เป็นผู้รักษาการรองจากองค์หลวงตานะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเออลูกหลานน้องนุ่งทุกองเออเข้ามาอยู่ใกล้หลวงตานะให้เคารพ เออซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ดูแลความสะอาดของวัดช่วยๆกันไม่ใช่เรามาก็ให้หนักวัดให้หนักอกหนักใจพระผู้ใหญ่ก็ไม่ถูกพันกันนะหลวงพ่อว่านะอันนี้ก็คือการบอกกล่าวทั้งคณะสัทยายญาติโจมช่วยๆกันรักษาความสะอาดอย่างที่หลวงพ่อเชอรี่พูดนะทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็เหมือนกันให้ช่วยๆกันจะให้ครูบาอาจารย์หนักใจนะเอวันนี้จะเอา ชาดกเรื่องอะไรให้แก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้ฟังนาเมื่อวานหลวงพ่อพูดค้างไว้ว่าพวกเราคงอยากจะทราบว่าทําไมพระเทวทัตเนี่ยจึงผูกพยาบาทอาฆาตพระพุทธเจ้าเป็นมาในครั้งไหนแต่บางท่านบางคนก็อาจจะได้รับรู้รับทราบนะรับรู้รับทราบมาก่อนแต่ตามไม่จรการรับรู้รับทราบมานั้นก็นบางทีอาจจะขาดตกขาดล่น องค์อื่นพูดอาจจะจับคําได้นะแต่มาพูดก็หลวงพ่ออินอาจจะจับได้มากกว่านะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ฟังธรรมจ่อมในฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่จะเข้าใจชัดเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสอนนี้ส่งแห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นอันนี้แหละคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าว่าได้ฟังมาก่อนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดนะแต่ได้ฟังอีกครั้งนี้อาจจะชัดขึ้นก็ได้เวราะนนั้หลวงพ่อจะได้กล่าวเป็นชาดก ชาดกเรื่องนี้คล้ายๆกับว่าบอกกล่าวพวกเราอย่าไปผูกพยาบาทอาฆาตจองเวียนกันอยู่ด้วยกันให้รักเคารพเมตตากันเอาไว้และก็คนที่มีอาชีพอันเดียวกันนั่นแหละคนจะพยาบาทอาฆาตกันคนที่ผูกพยาบาทอาฆาตกันคือคนอมีอาชีพเดียวกันนะพวกขายเสื้อผ้ากผูกอาฆาตกันพวกขายข้าวผูกอาฆาตกัน พวกขายทองกับผูกอาฆาตกังพวกขายยากับผูกอาฆาตกันไอ้พวกทําไร่ทํานาเหมือนกันเนี่ยแข่งแย่งกันลักษณะนั้นเน่ยเหมือนกับพวกวัวเนีก็ทะเลาะกับวัวพวกหมากัดทะเลาะกับหมาพวกควายกัดทะเลาะกับควายอันนี้ดูแล้วเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติถ้าหมาไปเห็นวัวเห็นควายก็ใช่นะแต่แท้พอหมาเห็นหมาเท่านั้นแหละเนี่ยอยู่ห่างไกลขนาดไหนกั ตะแคงข้างเขาหากันมีเหงียนเคี่ยวกันอยู่อย่างนั้นล่ะพวกเราได้สังเกตไหมไอ้พวกควายก็เหมือนกันพอเห็นควายเห็นควายนี่กันนั่นนหละตะแคงเขาใส่กันเลยงั้นเถอะแต่พอเห็นวัวก็ไม่ไม่ทําอะไรนะแต่พ่อวัวเห็นบัวก็เหมือนกันอ่อก้มหัวใส่กันเอาเอาขาขดดินใส่กันเลยอย่งั้นเถอะอันนี้ก็เหมือนกันน่ยคือคนมีอาชีพเดียวกันเน่ยโดยมากจะลังแก่กันอิจฉากัดนะอันนี้หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเนี่ยสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์ทั้งหลายว่าพระเทวทัตเนี่ยทำไหมจึงได้เบียดเบียนพระพุทธเจ้าทําไมมันเป็นมาจากครั้งไหนพระพุทธเจ้าขาพระพุทธเจ้าบอกพวกเธออยากจะฟังเหรอที่พระเทวทัตผูกอาฆ า, าตเราตถาคตเนี่ยพระสงฆ์ก็ว่าอยากจะฟังพระเจ้าขาพระองค์บอกว่าในอดีตชาติในชาตินั้น่ะ เรากับเทวทัตเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกันไปที่ไหนทามาค้าไปด้วยกันไม่ได้เข้าหุ้นกันคือต่างคนก็ต่างทาแต่เป็นขายทองด้วยกันถายขายทองก็คือขายทองเนี่ยขายทองเก๋่างันขายทองให้เด็กตุ้มหูสายสร้อยให้เก๋เด็กเนี่ยะในทิ่นของเขาที่รู้จักกันแต่วันหนึ่งที่วันจะทะเลาะกันนะเหมือนกับคนหนึ่งอยู่กรุงเทพจะไปขายของเมืองทนบุรีอย่างนี้แหละ คือข้ามแม่น้ําเจ้าพญาไปเ น, นี่ยแต่ใ้ก่อนสองสหายนี่ยก็เช่าเรือไปเช่าเรือไปกัขึ้นเรือไปกับไปขายของที่เมืองนนท์เมื่อกัสมมุติว่านะไปขายของที่เมืองนนอ์ในกระเป๋าที่ใส่เข้าไปเนี่ยคือมีตุ่มหูวสายสอยมีสายแขนมีเครื่องประดับอะไรของของราคาพอกรันแหละพวกทองธรรมดาไม่ใช่ทองคำเมื่อกันเะทองธรรมดา ข้ามไปฝั่งทนแล้วก็คนหนึ่งก็ขึ้นไปทางเหนืออคนหนึ่งไปทางใต้เพราะงั้นแต่เหมืงหมู่บ้านเดียวกันเมืองนอนเดียวกันนั่นแหละ<ม>เพื่อไปเล่ขายของอ่ะทีนี้กันเทวทัศน์นี่ไปทางสายเหนือพุทธเจ้าเนี่ยไปทางสายใต้เพราะงั้นเดินขึ้นมาเแค่ว่าไปโจทกันแล้วก็ก็จะกลับมาขึ้นเรือด้วยกันเทนี้เทวทัศน์เดินไปสายเหนือไปเจอบ้านเศรษฐีเก่าเต็มไปเจอบ้านเศรษฐีเก่า เศรษฐีคนนั้นเขาเป็นคนรวยมตัตกรเก่าแต่ตอนนี้เขากตกทุกข์เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรงั้นเถอะแต่ว่าพวกของเก่าได้ยังมีอยู่ในบ้านพวกถาดเงินถาทองถาดทองเหลืองทองแดงถาดอะไรมีเยอะของมีของใช้อยู่ในบ้านมีถาดอยู่ใบหนึ่งเด็ดมันเข้าตาปีแล้วงั้นเถอะ เป็นของมรดดรกตกทอดมาก็ก็ทิ้งไว้ได้มันเข้าสีดํามันเกลืกกล่อกะหมดแล้วงั้นเถอะเพราะไม่มีใครขัดใครล้างมานะันแต่เป็นทองคำนะแต่ยายคนนั้นก็ไม่รู้ว่า น, นี่นคือทองคําหมือนงั้นเถอเพะพอเกิดที่หลังเขาแต่ใ น, นพ่อค้าทองคนเนี้ยพระเทวทัตเนี่ยพูดง่ายๆอย่างพระเทวทัตเหมือนงั้นขึ้นไปทางเหนือนะไปเห็นทองใบนั้นนะ่ะยายก็บอกว่าในห้อยเหมนงั้นนะคือกับพ่อค้าเหมอนงั้นนะ ข้านี่ยมีมีถาดทองอยู่ใบหนึ่งนี่จะตีราคาเท่าไหร่ถ้าตีราคาก็อยากจะให้ลูกหลานของข้าเนี่ยสิบวกว่าคนเนี่ยอยากจะได้ของละคนละชิ้นละชิ้นแต่ถ้าหากว่าในห้อยเอาให้ได้ก็เอาไปเลยถาดนี้เหมือนแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ครบเนี่ก็ให้ไม่ได้ละเหมือนแต่นี้พ่อค้าทองก็จับมากยกหมักหนักกึกแล้วองเงินโอ้ทองตน้นในใจนะ โอ้ทองคำต้นี้่จากนั้นก็เลยเอาเข็มมากีดดูพอมากีดดูทองเป็นถาดโอ้ถาดทองคำจริงๆริเนี่ยงั้นแต่นี้นก็ก็เลยข่มเขาวไว้ว่างี้นนมันคนขี้โกงเลยนี่ยคนขี้โกงคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นล่ะบอกเอ้ทองใบนี้เนะี่ราคาไม่เท่าไรหรอกเป็นของเกา่าเป็นของทิ้งพอแรงแล้วถ้าจะให้เครื่องประดับ ก, ก็ให้ได้เพียง สายสร้อยเพียงสองสามเส้นเท่านั้นแหละฐานไปนี้ไม่มีราคายายคนนั้นก็บอกโอ้ถ้าหาว่าเป็นอย่างนั้นก่อเปลี่ยนไม่ได้แล้วพอลูกหลานของข้ามากถ้าเอาให้เดี๋ยวลูกหลานมันจะทะเลาะกันน่ะอมันจะทะเลาะกันให้ไม่ได้เอาไม่ให้ก็ไม่เปลี่ยนนะนะเขาก็เลยเก็บเก็บถาดทองไว้แต่ในใจของพ่อค้าทองคนนั้นน่ะมุมหมกมุมหมกอยู่งานเถิเอคิดว่ า, าต้องหวนกลับมาเอาอีกไม่นานอันนี้ถ้าว่าจะเปลี่ยน ในเดี่ยวนั่นก่อนเสียเชิงพ่อค้าก็เลยว่าไม่เอาละเอกไม่นานทเลยไอ้พ่อค้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่ขึ้นไปพอดีเอแต่มันไม่เจอกันพ่อค้าสองพ่อค้าไม่เจอกันมันสวนทางกันมันสับทางกันมางั้นแต่พอไปพ่อค้าเนี่ขึ้นไปยายคนนึ่ก็พ่อค้าเนี่ยขามีถาดอยู่ใบหนึ่งเนี่ยดูซิพ่อค้าจะตีราคาให้เท่าไหร่จะได้เปลี่ยนเครื่องประดับให้หลาน พ่อค้านี่ก็มาพ่อพ่อค้าโพธิสัตว์เนซื่อสัตว์เพอมาโยกกึกมาบอกว่าพ่อค้าคนก่อนมาดูแล้วเขาจะให้เพียงสามสี่เส้นแต่หลานของข้านี่มีอยู่สิบกว่าคนน่ะทางพ่อค้าคนนี้ก็ยกมาก่อนโอ้เห็นพ่อค้าคนนั้นขีดอยู่แล้วเนี่ยตัวเองก็เลยเอาเข็มมาขีดอีกโอ้ใช่ทองคำจริงๆเนี่ยว่ะถาดใบนี้พ่อค้าโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าโอ้ยาย ถาดใบนี้ราคาแพงมากนาไอเครื่องประดับหยดหงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบของคุณยายเนี่ยของคุณยายราคาแพงกว่านะของผมหนึ่งชู้ราคาของคุณยายไม่ได้คุณยายจะเปลี่ยนไหมเนี่ยคุณยายโอ้เปลี่ยนถ้าหางกว่าได้ครบหลานก็เปลี่ยนเลยล่ะพ่อค้าคนก่อนเขาว่าราคาไม่แพงเนี่ยเอาเถอะถ้าพ่อค้านี่ยคงจะเป็นของเจ้านั่นแหละเอาเอาเลยพ่อค้านี่ย ของอยู่ในกระเพาะไป่าเทออกเลยให้ใหญ่นั้นหมดเลยว่างั้นเถอะพอขาโพธิสัตว์เนยพอเทแล้วก็เอาถาทองคําใส่ในกระเป๋าตัวเองวังนั้นเถอะเป๊ะหลังในกระโหงถ้าไอ้นั้นมาเนี่ยถ้าไอ้นั้นมันต้องโค้งมาแ น, น่แน่ต้องวกมาแ น, น่แน่ถ้ามันวกมาเนี่ยอถ้ามันไม่ได้ไอ้นั้นมันโมโหนะไอ้พ่อค้าโกงวนเนี่ยมันอาจจะฆ่าเราก็ได้มันจะแย้งทองคํา แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่านะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะเหลวงพ่อคือไม่แข็งเหมือนกันแต่ได้จะแบ่งขึ้นกันก็ได้แค่ไม่ถาดทองคําไปนั้นนะ่ะเออมาเฉลี่ยกันแท้กัะแบ่งกันก็ได้แต่นี่พระพลอยที่สันก็พอได้ถาดทองคำตอนนั้นนะถึงท่าเรือกันให้เรือมารับเรื่องนนะอกัน่ะเรือเขาก็มารับมาแล้วออกไปเร็วพอเรือท่านั้นก็พายไปถึงฝั่งกรุงเทพนะี่สมมุติว่านะพอไปถึงฝั่งแล้วก็ พ่อค้าโกงคนนี้ก็บวกมามหาใหญ่เลยใหญไปไงแผนทองเอ้าพ่อค้านั้นเขาเอาไปแล้วนะงั้นเท่านั้นแล้วงั้นเถเหมือนเอาค้อนทุบผางูจงอางเลยโมโหขึ้นยังสุดขีดเลยงั้นเถอะวิ่งเลยงั้นพอวิ่งไปที่หนึ่งไปพอไปถึงฝั่งพอไปถึงฝั่งพ่อโพธษัตว์ถึงฝั่งนุ้นพอดีแล้วขึ้นถึงฝั่งละพระเทวทัศน์นี่ก็อยู่ทางนี้กันตะโกนเลยงั้นเถอะ โอ้ทำไมเพื่อนยังหักหลังกันขนาดนี้วะจ๊ะนาไอ้เพื่อนคนนะัะเอา้าหักหลังได้ยังไงแต่แกว่าแต่แกไม่เอาไอผมก็ถามแล้วเนี่ยว่าแต่แกไม่เอาผมก็เอาเลยเสียวะโทษใครก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทองคำอะไรเงั้นเอีอย่างน้อยก็ไปเอาอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเอาอย่างนี้ก็แสดงว่าหักหลังกันไม่เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะ่ะเอาเถอะนะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเหงือนกันนะ โมโหสุดขีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณกับผมเนี่ยไม่เป็นเพื่อนกันต่อไปแล้วเงี้นจะเป็นสัตว์ตัวคู่อาฆาตต่อกันทกพบทุกชาติเพื่อนพอว่าเท่านั้นก็เลยกรรมอมเม็ดทรายทั้งสองข้างเนี่ยข้าพระเจ้าขอจองเวรจองกรรมทกพบทุกชาติเท่ากับเม็ดหินเม็ดทรายอยู่ในมือเนี่ยเหมืกันพระโพธิสัตว์อยู่ทั้งฝั่งโน้นนะ่ะมองมาเอ้ยเพื่อนมันชักจะเกินไปแล้วมั้งถ้าจะจองกรรมจองเวรจริงๆริ ง, รงก็ เอาสักคกำหนึ่งก็น่าจะพอแล้วงั้นนะเอาสักคำหนึ่งก็น่าจะพอกั้นเถอะเอาทั้งสองคำ ม, มันเกินไปใช่ไหมล่ะเทวทัตก็แสนจะบอกง่ายมันทิ้งคำหนึ่งมั้งงั้นเถอะเอาทิ้งคำหนึ่งก็เลยเออกคำปั้นกำชายก่อนนะมาก็ะแทกเขาที่หน้าอกตัวเองอาเจียนพุ่งเลยเพราะความโกรธอย่างแรงนะและว้วก็เข า, เาตายอยู่ในฝั่งแม่น้ําันนะเลือดสดออกมาเลยแล้วงั้นนี่แหละจากนั้นมาพระเทวทัตก็เลยผูกอาคาตกระท่าว่า เอาทั้งสองกับไปนขนาดไหนวะงั้นถะแต่เอาขนาดกับเดียวนี่ก่อนโอ้โหพระพุทธเกิดพระพุทธเจ้าเกิดมาพบอใดชาติใดเทวทัตเนี่เพราะว่าจ้องทุกทุกภพ ท, ท, ทุกชาติเลยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเป็นชาติเมื่อวานเนี่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระฤาษีนะพระเทวทัตเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีนะถามพระฤาษีว่าขันติอยู่ที่ไหน แช่ไหวเขี้ยนหลังตั้งร้อยทีพารือษีเพราว่าขันติอยู่ที่ใจตัดหูตัดจมูกท่านก็บ่าขันติอยู่ที่ใจตัดแข้งตัดขาแล้ว่าขันติอยู่ที่ใ จ, จ, ใ จ, ลใจผลที่สุดได้กระเทืบหน้าอกพารือษีจนพารือษีก็อักแล้วอย่ากนั้นก็มรณาภาพอันนั้นขก็สรางอรนนั้นก็แผ่นดินสูบพระเทวทัศ์อีกเหมือนกันแต่มากแต่ข้าวนี่ที่ข้าวนี่น่ะ ต้นเหตุของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าทะเลาะกันผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันคือเนี่ยพระเทวทัตเกี่ยวกับพ่อค้าทองให้พวกเราสังเกตุนที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นว่าคนมีอาชีพเดียวกันโดยมากจะทะเลาะกันจะไม่ไว้ใจกันจะบาดหมางใจกันจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันจะอิจฉากันพูดง่ายๆนะ คนที่มีอาชีพเดียวกันจะอิจฉากันพอ้นั้นพวกเรานะได้ฟังได้ศึกษาในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะพวกเราอย่าอิจฉานะอย่าผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนนะไม่มีทิศสิ้นสุดจริงๆในตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะพระเทวทัตนี่ยผูกพยาบาทอาฆาตแต่พระพุทธเจ้ามีติตะหนีวันไหนเพระเทวทัตในกรรมผูกเวนแต่พระพุทธเจ้าเนี่มิแต่ฟุดเฟิกวันนั้นเถอะกระโดดหนีอยู่ตลอดวันนั้นเถอะ บางพบบางชาติก็ถูกฆ่าจากพระเทวทัตก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าเจอกระเทว ท, ทัตทีไรก็แปลว่าแปลว่าไปลาบปลื้นหรือว่างั้นอ่ะในช่วงนั้นไอ้เพราะนั้นพวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกค น, กกกคนเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันไปนสถานที่ใดก็าตามหลวงพ่อจึงแนะนําแนะนําพวกคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทุ ก, ทกคน เวลากราบพระวายพระอระหังสวากาโตสุปฏิปัโนเรียบร้อยแล้วก็นัน่งปโนมมือแผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทอินคือในจิตในใจให้เราคิดอย่างนั้น เวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าไปผูกอาคาตพระยาบาทจองเวียนกับใครๆทั้งหมดไม่เป็นผลดีอย่างไม่เห็นมั้อย่างพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระรีพานพระเทวทัตลงนุ่นลงอเวจีมหานรกเพราะบาปกรรมที่พระเทวทัตได้กระทํากับพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆคนที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดมาพบองค์หลวงตาองค์ตามหาบัวของพวกเราท่านมิจะสอนพวกเราให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้รู้จักพระคุณบิดามารดาคุณครูปชาอาจารย์คุณประเทศชาติชุนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์องค์หลวงตาสอนพวกเราทุกคนแล้วก็ให้ประกอบคุณงามความดีจะตั้งอยู่ในการประมาทเนะ้อตายแล้วไม่สูญเนะ้อตายแล้วเกิดอีก นรกสวรรค์มีจริงหลวงตาท่านสอนพวกเรานะลูกหลานคณะสัทยาธิโยมฟังให้ดีนะเทศของหลวงตานะวันนี้หลวงพ่อเองได้โพูดชาดกให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเบื้องต้นก็ได้ชี้แจงการอาพาธขององค์หลวงตาให้แก่พวกเราได้ฟังวันนี้หลวงการู้สึกหลวงตารู้สึกว่าดีขึ้นนะคณะสัตยาธิโยมลูกหลานทุกคนนะ หลวงพ่อเข้าไปกราบองค์ท่านเมื่อเช้าเนะี่รู้สึกว่าท่านสดใสหน้าตาของท่านดีแอบรู้สึกาอายพานน้องตาดีขึ้นวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเนเมื่อวานนี่รู้สึกว่าท่านจะหายใจ อ, อึดอัดไปหน่อยนึงแต่วันนี้รู้สึกว่าสุขภาพดวงตาดีขึ้นวันนี้ประจำวันนี้หลวงพ่อเคยให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลทุกแห่งทุกแห่งหน ที่ได้ยินเสียงหลวงพ่ออยู่ในขณะนี้นะขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานในใจนะตั้งจิตอธิษฐานรวมทุกดวงวิญญาณทุกดวงใจของพวกเราที่เป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาขอให้รวมเป็นพรังหนึ่งเดียวนะให้เป็นพรังหนึ่งเดียวแล้วก็ขอให้พลังของพวกเราหนึ่งเดียวนะี่นะให้เป็นพรังรักษาสุขภาพ ขององหลวงตาขอให้หายจากโรคราพยาติขอให้หลวงตาเป็นอยู่เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราลูกหลานทุกๆ ท, ท่านนานเท่านานด้วยเถิด